ท่านบุตบริษัททั้หลายสำหรับวันนี้ก็จะขอนำบุคคลตัวอย่างที่กล่าวถึงบุพกรรมหรือว่าในาหนึ่งเป็นเรื่องรา ม, มาในไตรภูมิเป็นภาคของมนุษย์เมื่อวันที่แล้วได้กล่าวถึงบุคคลผู้มีความรู้สึกว่า ความดีความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่ด้วว่าเวลาตายไปแล้วกลับเกิดเป็นคนแต่ว่ากลายเป็นคนที่มีรูปร่างเหมือนปีศาจทุกฟนุนแถมไม่มีลาบเซการะที่เพิ่งเกิดกระตนไม่เอาขอทานเขาก็ไม่ได้กินอันนี้บรรดาท่านพุตธบริสัทธ์ทราบ ว่าบาปเขาไม่ทํากรรมเขาไม่สร้างหมายความว่าเขาไม่ทําไม่ละเมิดสินห้าจริงแต่แต่ว่าไม่ได้ส่งเสริมสินห้าบุคคลที่จะส่งเสริมสินห้าตามพิพุทธเจ้ากล่าวว่าสัพปาปัสสะกระนังว่าท่านทั้งหลายจงอย่าทําความชั่วทั้งหมดกุสลสูนย์สมธาจงทําแต่ความดี สำหรับอนันเศรษฐีความชั่วไม่ทาแต่ความดีก็ไม่ทําด้วยเพราะาคำว่าศีลจะทรงยินได้เพราะศัยเมตตากับกุณาทั้งสองประการในเมื่อท่านไม่มีทั้งความเมตตาไม่มีทั้งกรุณาทั้งสองประการเป็นนั้นว่าทานแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่ยอมให้ใคร ศีลถึงแม้ว่าไม่ละเมิดแต่ก็เชื่อว่าเป็นกินเป็นการกิงของเก่าบุญที่สั่งสมมาเป็นมหาเศรษฐิได้เพราะหน้าทานเป็นปัจจัยนี่เกิดเป็นคนได้เพราะอาศัยศีลเป็นปัจจัยแต่ชาติสุดท้ายนี้ท่ากินทานกินศีลเก่าของท่านหมดแล้วไม่ทำใหม่เมื่อตายไปจากความเป็นคน จึงจะต้องไปเป็นคนที่เต็มบริวามทุกเวทนาอย่างสาหัสคือไม่มีอะไรอยากกินถ้าไม่ได้องค์สมเด็จพระมหาหมุนินแล้วโอกาสของเขาจะไม่มีเลยสำหรับวันนี้ก็จะขอนำมาเรื่องของบุคคลที่ทำทั้งความดีและความชั่วมาเล่าย่อสู่กันฟัง เพราะว่าในส่วนใหญ่มีอยู่แล้ว <c oughs> นั่นก็คือโคศกเทพบุตรโคศกเทพบุตรนี่เดิมทีนีนา ม, มาโกตะในโกตุฮาริกะโกตุฮาริกะนี่มีพญญาอยู่คนหนึ่งแล้วก็มีลูกเล็กอยู่คนหนึ่งเมื่อทุบพิกภัยเข้ายากมากแพงผลแรงไม่ตกต้องตามฤดู ก, กาลในบ้านเมืองที่ตนอยู่ ยังได้พากันหาบคอนนำทรัพย์สมบัติรัพสมบัติทั้งหลายเท่าที่พอมีออกจากบ้านของตนไปสู่เมืองอื่นแล้วก็เป็นการบังเอิญอย่างยิ่งในกันขณะที่เดินมาในกลางป่าสเสบียงอาหารหมดต้องอดข้าวั้องผัวั้องเมียลูกน้องก็ต้องลูกน้อยก็ต้องอุ้ม มาต่อมาเขาคิดว่าลูกน้อยนี่เป็นเครื่อง่วงการก้าวหน้าคือการเดินทางของเขาเจานั้นในโกตุดนิกะจึงปรารบกับพัญญาว่าลูกขวงเรานี่ควรจะทิ้งไปเสียก็ไม่ควรจะเก็บมันไว้เก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรตัวขวงเราเองก็มีความลาบากกายลาบากใจยอยู่เพียงนี้แล้วอาหารก็อด กำลังก็จะหมดลงไปปล่อยให้มันตายซิดีกว่าสำหรับพัญญาไม่ยอมเพราะมีความรักใ้ลูกน้อยนี่มากยึงนำลูกน้อยมาอุ้มเสียให้ผัวหาบคอนไปตามกำลังแต่เดินมาในระหว่างทางไม่มานไม่นานเท่าไหรนะ่นักความเมื่อยมันก็ปรากฏขึ้นผัวก็รับลูกน้อยมาอุ้มตอนนี้เป็นเวลาใกล้คำ ปรากฏว่ในโกตุฮาริกะปราถนาจะที้โลูกให้มันตายตามยถากรรมจึงปล่อยให้ปัญญาเดินไปไกลทำทีท่ามันว่านั่งถ่ายปัสสาวะลูกจร ะ, รจระบอกให้มันได้ภัญญาเดินไปก่อนสำหรับพัญญาก็ไม่ได้คิดว่าผัวของตนจะคิดฆ่าโลก เม่เดินไปเวลามันใกล้คำแลว้วเขาจะลูกน้อยวางไว้โคนต้นไม้เอาใบไม้ปิดเขาไว้แล้วก็ทวงเวลาเดินไปช้าๆก็จะทันพันยาก็ไกลแสงไกลเวลาก็มืดคำแลว้วเมื่อเข้าไปใกล้พันยายถามาลูกน้อยไปไหนเขาก็บอกว่ า, าวางไว้ที่โคนต้นไม้ถ้าจะกลับไปหาไม่กลับไปหาไม่ได้เพราะเวลามันคำ ไม่ยอก็จนใจเป็นอนุวา ส, สองคนตายายต่างคนต่างก็เดินเข้ามาในทิ้งเขตของบ้านธรรมหาเศรษฐีในเวลานั้นปรากฏว่าธรรมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารอยู่สองคนมีความปรารถนานจะรับความสงเคราะห์จากท่าน ยังเลยขออนมัติจากท่านมหาเศรษฐีอยากจะทำงานรับจ้างในบ้านของท่านถ้าไม่ได้อะไรมากก็เพียงแต่เพียงว่าได้กินอาหารไปวันหนึ่งวันหนึ่งก็พอท่านมหาเศรษฐีเห็นใจจี่รับคนทั้งสองไว้เป็นลูกจ้างในว้านมีค่าจ้างตามสมควร แต่ดูว่าวันนั้นยังไม่ได้ผ่านไปขณะที่เขาเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีกำลังบริโภคอาหารคือข้าวมะทุพย่าดเป็นข้าวที่กษัตริย์และมหาเศรษฐีบริโภคมีราคามากแล้วท่านมหาเศรษฐีเห็นว่าเขามีความอ่อนแรงคือหิวห้ยมา ยิงให้คนจัดอาหารมาสองส่วนคือของปัญญาหนึ่งส่วนของไรโกตุฮนิกะอีกส่วนหนึ่งสำหรับนายโกตุฮนิกะหิวมากกินของตนกินหมดปัญญายังไม่กินของตนเมื่อหมดแล้วปัญญาอาศัยที่มีความรักในสามียิ่งได้ถามว่าทันพอแล้วหรือยังเขาก็ตอบว่ายังไม่พอ นางจะเอาส่วนของตนนั้นให้กับนายโกตตฮาริกะนายโกตตฮาริกะก็กินอาหารส่วนที่สองเข้าไปอีกแต่ความจริงในระหว่างที่เขากําลังกินอาหา ร, รเวลานั้นท่านมหาบุเศรษฐี ก, ก็กําลังบริโภคอาหารท่านบริโภคข้าวมาทุกปาญาตจะให้ข้าวดีฉันเลิย เมื่อกำหนดบริพุทธ์ไปท่านมีสุนัขตัวเมียอยู่ตัวหนึ่งเป็นสุนัขสารรู้เวลาท่ากินข้าวไปท่านก็เอาอาหารยื่นให้กับสุนัขไปกินไปด้วยเลี้ยงสุนัขไปด้วยในตัวเสร็จเพราะนั้นว่าสุนัขก็กินอาหารที่มีความดีเสมอกับท่านมหาเศรษฐีในโกตุฮรนิกาเห็นสุนัขตัวนี้คิดว่าสุนัขมันมีบุญกับเรา เราเป็นคนยังไม่มีโอกาสได้กินข้าวดีๆอย่างนี้จิตใจของเขาก็จับจูที่นาสุนักตัวนั้นอาศัยที่เขาอดข้าวมาทั้งหลายวันไม่ได้บริโภคอาหารกินเข้าไปจนเกินกำลังส่วนที่หนึ่งของตนหมดปัญญาเอาส่วนของตนมาให้กินก็กินสีหมดในความจริงนี่เขาไม่ได้รักปัญญาเขาเลย ถ้าเป็นคนดีจริงๆแล้วก็จะต้องมีความรู้สึกว่าเราก็หิวพันยาก็หิวอาหารที่ก็นำมาให้ส่วนก็าเราเราก็กินส่วนเขาพันยาพันยาก็กินมันถึงจะถูกเรียกว่าร่วมสุขร่วมทุกข์แล่คนอย่างไรโกตัวฮาริกะแม้แต่ลูกก็ยังทิ้งให้ตายได้เรื่องอะไรที่เธอจะห่วงพันยาเกินไป ความเห็นแจตัวเป็นความชั่วของจิตเธอไม่ได้คิดว่าพัญญาเป็นผู้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาฉะนั้นเมื่อนขณะที่บริโภคอาหารอิ่มเกินไปในพมบาลีทิ้งกล่าวว่าไฟธาตุไปสายมากจะย่อยอาหารได้ในโกตุฮริกะก็เลยผ่านตายลงไปในสมัยที่กำลังนั่งคิดถึงนาวสุนัขตัวนั้น อาศัยที่จิตเกาะ อ, อยู่ที่นาสุนักมาจิตอัญญาณออกแจกกร่างก็เข้าไปสู่ท้องของท้องสุนักตัวนั้นเป็นลูกหมาไปเป็นอันว่าคนแท้ๆตายจากคนเป็นลูกสุนัขเข้าไปในท้องสุนัขเมื่อนาสุนัขตั้งมีไข่ครบก็นหน่อยก็คลอดบุตุมาเป็นชายเอามาทอดเป็นตัวผู้ ถ้าลูกอมาเป็นตัวผู้เป็นสุนัขแสนรู้ทั้งนี้เพราะอะไรเพื่อว่าตายจากคนมาเป็นสุนัขความรู้สึกในสภาวะของมนมุษย์จังมีอยู่มากที่ยังไม่ต้องไปทนทุกขเวทนาในนรกหากว่าจ้าถามว่าปล่อยให้ลูกตายทั้งคนนี่ไม่บาปหรือก็ตอบว่าบาปถ้าหากว่าทา่านเจ้ถามว่าบาปทำไมจึงไม่ตกนรก อันนี้ต้องดูกับบาลีที่องค์สมเด็จพระเ ย, ยสูทรงตัดว่าเจตนาของพิโวยกัมมังมัธมิที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าดูก่อนพิสดทานหลายเรากล่าวว่าเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นก็คืออาศัยจิตใจของเขาเวลานั้นจับใจทีดนาสสนัก จิตมันเลยพุ่งก็ไปสูในท้องขั้นนาสุนัขแทนที่จะพุ่งลงนรกไปเป็นอังบาลไปนิดเกิดเป็นสัตว์ใจฉันก็ยังดีกว่าเกิดเป็นสัตว์นรกสําหรับพัญญาของเขาเพราะนั้นว่าในสมัยนั้นท่านอาฆาบุดีและท่านมาหาเศรษฐีมีความเคารพในพระบัจจีกองพระเจ้าองค์หนึ่งเวลาออกพรรษา ท่ก็มาได้มาโปรดท่านมหาเศรษีบัญญาข้าวรรษาท่านก็ลากลับสําหรับพัญญาเขาโกโตฮนิกะก็มีโอกาสได้เลี้ยงดูพระบัจเจกพระเจ้จาด้วยสัยการรับใช้ท่านมหาเสรษีด้วยบางคราวที่ท่านมหาเศรีให้ค่าจ้างนางก็พยายามออกทรัพย์สินต่างๆเท่าที่จะเพมมีงมีทำอาหารถวายพระบัจเจกพระเจ้จา เลยร่วมหุ่นหมายที่ความว่ามาเจ้านายใช้ไปซื้อของนางก็องเอาเงินของนางผสง์เข้าไปด้วยซื้อของถ้าไหวพระบัจจีกับพระเจ้ า, จาเป็นอนุว่ามันนางตายจากคนชาตินั้นก็ไปเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าซึ่งมีจริยาตรงกันข้ามกับโคตุฮลิกาผู้เป็นสามีสามีเกิดเป็นสัตว์นิรัน เพอาศัยจิต ท, ที่มีความโมมันว่านาสุนักตัวนี้มันมีบุญได้กินอาหารเสมอก็บท่านมหาเศรษฐีจิตในเกาะอยู่ตรงนี้เมื่อสุนักตัวนั้นเมื่อโตคนแล้วก็กลายเป็นสุนักแสน ร, รู้ก็เกิดจากคนมาเป็นสุนักรู้ภาษาคนได้ดีเวลาที่ท่านมหาเศรษฐี จะไปรับพระบาเจกับพระเถรเจ้าเธอก็ไปด้วยวันใดที่พระบาเจก็บพระธรรมหาสตีไม่มีโอกาสเธอมีธุระมากก็ใช้เจ้าสุนัขตัวนี้ไปรับพระบาเจกับพระเถรเจ้าแทนเวลาที่มันไปรับไปถึงหน้ากุฏิก็เห่าบังหอนบังเป็นการให้สัญญาณเรียกพระบาเจกับพระเถรเจ้ามา เวลาถึงผู้ไม้ใดที่ธรมหาสถีกเกลวสัตว์ ร, ร้ายจะมีอยู่จะทําลายกับพระ เ, เจ้าพระพุทธเจ้าก็ไม้ตีในผูมไม้นั้นส่เสียงดังๆก็เป็นการขับไล่สัตว์ ร, ร้ายที่ยังมีอยู่ให้หนีไปเจ้าสุนักตัวนั้นมันจําได้พอไปถึงผูมไม้ตัวนั้นมันก็เห่าบ้างหอนบ้างกันโชคบ้างเพรเ่อเป็นการขับไล่ ในการบางครั้งพระบาเจกับพระตถาจ้าจะลองใจจึงพยายามเดินให้มันเลยทางที่จะเลี้ยวเข้าไปเจ้าสุนัขสันลูมันก็วิ่งไปขวางเมื่อท่านไม่ยอมกลับมันก็เอาปากคาบสบองดึงมันเดินให้เข้าขาจูงให้เข้าทางนี่เป็นอันว่าพระบาเจกับพระตถาจ้าก็ต้องยอมแพ้มันทานํานรีพ่อเลยครับเพรา ะ, ะว่า ถ้าไม่เดินตามมันสบงหลุดแน่อาศัยที่เจ้าสนักตัวนี้มีความรักในพระบัจีกับพระติจ้ามากเวลาที่เข้ามันสาพระบัจจีกับพระติจ้าวกอนลาท่านมหาเศรษฐีไปยอดวกเขาคันธมาตขณะที่ท่านห่อไปเจ้าสนักตัวนี้มันมีความอะไรรักในพระบัจีกับพระติจ้า เขาบั้งหอนบ้างแสดงความอะไรรักแสดงความเสียใจที่พระบัจเจกุทธเจ้าท่านจากไปพอพระบัจเจพุทธเจ้าลับตาไปเจ้าสุนักตัวนี้ก็ขาดใจตายตอนนี้อาศัยที่เธอตายเพราะจิตใจจับในพระบัจเจพุฏธเจ้าอย่างที่บรรดาพวกเราเราพุทธบริษัททหลายเจริญพุทธานุสติกามฐาน เพือธรรมานุสติกมามธันสังขานุสติกมามธันที่เราตั้งใจเจริญพระกรรมาฐานกองใดกองหนึ่งก็ดีก็เชื่อว่าพวกเรามีความเคารพในองค์สมเด็จพระจินดาสีบรมัสาศนดาสมมาสัพพตเจ้าเรารู้ว่านั่นท่านเป็นพระเรารู้ว่าธรรมะที่เราปฏิบัติเป็นพระธรรมคำ ส, สออนขององค์สมเด็จพระจินวรบรมัสาศนดา เรารู้จักการรักษาศีลเรารู้จักการให้ทานเรารู้จักการเจริญภาวนาเราดีกว่าเจ้าสุนัขตัุนั้นมากแม้เราก็รู้จักคุณพระรัตนตรัยตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทำจิตให้ผ่องใสรวมความว่าใจของเราสะอาดกว่าสุนัขตัวนั้นเยอะเพราะเรารู้ ความจริงส room, ุน ho ัขตัวนั้นมันไม่รู้ว่าพระบาเจกพระเจ้าเป็นพระเพื่อเด้เพียงว่าสาว่าคนคนหัวห่มผ้าเหลืองแต่ว่าเป็นคนที่ใจดีเจ้านายก็มันรักมันก็รักด้วยอาศัยที่เจ้าสุนักตัวนั้นมีจิตใจผูกพันในพระบาเจกพระเจ้ามีความรักในพระบาเจกพระเจ้านึกถึงพระบาเจกพระเจ้าอยู่ เมื่อท่านหายไปมันก็ขาดใจตายในเกื่อมันขาดใจตายเพราะอาศัยจิตใจที่จับในพระบัจจีของพระธเจาวาก็ไปเกิดเป็นปนณฑาวดาบนสวรรค์นชช่นดาวดึงสถิวลโลกมีวิมานเป็นที่อยู่อาศัยมีนางฟ้าเป็นบริวารแต่จะไปรวมกับพญญารอไ ม, ม่บาลีไม่ได้กล่าว คงจะไม่รวมเพราะไปเกงในคนทัศนะพันยาไปเดฐานะที่เคยมีความเคารพในพระบาจีพระพุทธเจ้าร่วมบุญรลกุศลด้วยกับท่านมหาเศรษฐีนางช่วยท่านแรงนางช่วยทั้งทรัพย์สินช่วยการปฏิบัติวัถาพระมาจีพระพุทธเจ้ า, จ า, จาด้วยความเคารพอันิสงของนางดีกว่าคงจะไม่ไปรวมกัน ครั้นเมื่อเวลาที่ในสุนัขตัวนั้นไปเกิดเป็นทวันดาบนสวรรค์เันดาวดึงมีวิมานเป็นที่อาศัยมีบริวารแมตล้อมทั่งกล่าวว่าเสียงของเธอดังเวลาพูดธรรมดาธรรมดาในเสียงดังไปถึงหกสิบโยต์เวลาโพระเต็มที่เสียงดังกล้องดาวดึง นี่เป็นอันว่าคงจะเป็นเทวดาที่มันดานดังฟาล ะ, ะอิณแล้วเทวดาทั้งหลายลำคาญมากอ ง, งสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรัสว่าที่เขาเกิดเป็นเทวดาได้เพราะมีใจเคารพในพระจพุทธเจ้ามีความรักในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านี่ประการหนึ่งอาศัยเสียงของเขาที่ดังมากกว่าเทวดาทั้งหลาย มีกลางวานแจ่มใสก้าหน้าที่มีการเหา่กากันหอนให้สัญญาณกับพระบาเจพุธเจ้าว่าเวลานี้เขามารับนี่เห็นไหมบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มีบุคคลบางคนว่าสัตย์ใชฉานทําบุญไม่ได้ถ้าเราดูเรื่องนี้กันเราจะเห็นว่าสัตริรใจฉันก็ทําบุญได้นี่เรื่องหนึ่งก็ได้แก่ช่างเอราวันเทพบุะบุของพระอิน ในส ม, มัยที่เป็นมาคัคขมานบเวลานั้นช้างของท่านก็ทำบุญได้มีกันช้างตายจากความเป็นช้างไปเกิดเป็นเอราวันเทพบุรอันนี้เป็นอนวา่าเราก็เข้าใจกันได้ว่าสุ น, นัขก็ทำบุญได้ต่อมาเมื่อส ม, มัยสมณศาสนาองค์สมเด็จพระจอมไตรยองคนิสโบัคิขึ้น สำหรับพัญญาของเขามาลูกมาเกิดเป็นลูกอโลเสอนุเสถีมีเงินประมาณสี่สิบกดเพราอาศัยบุญคุณนางที่เดลเลี้ยงมีความเคารพในพระบัจเจกพุทธเจ้าเอาเงินเล็กน้อยเข้าหุ้นเข้าส่วนกับเจ้านายถวายทานแก่พระบัจเจกพุทธเจ้ า, จาสำหรับโคสอกเทพบุตจุติลงมา ก็มาเกิดในท้องของหญิงแพทย์สยดาืูหญิงโสเภณีตามธรรมดาหญิงโสเภณีนี่เขาไม่รักลูกผู้ชายทั้งนี้เพราะอะไรถือว่าลูกผู้ชายไม่สามารถจะเสืบอเด็กคนเป็นหญิงโสเภณีได้มาออกมาแล้วเขาก็นำไปทิ้งไว้ ทิ่งไว้กลางแจ้งในป่าข้างใกลไม่ก็ไม่ไกลทางนักเวลานั้นปรากฏว่าวแรงกอร์ลกาเขามารวมใจจิกินคิดว่าก่นกามมาาาอนเนื้อต่เ้่กล่าวว่าในเดชะบุญบา ร, รมีในสมัยที่เขาเป็นสุนัขเขามีความเคารพในพระประเจรพุทธเจา้า เวลาที่ถึงภุมมาม้สำคัญที่เจ้านายฟีไล่สัตว์ร้ายเขาก็หฮากันโชคเป็นการไล่สัตว์ร้ายเพื่อไม่ทำลายแกพระบัจเจคุทธเจา้าท่านบอกว่าอาณิสงส์ส่วนนี้เป็นเหตุป้องกันไม่แล้งละกาทั้งหลายเหล่านั้นกัดกินเขาได้ก็ว่าดีในตอนเช้าวันนั้นท่านมหาเศรษฐี ออรอโทษธรรมหาเศรษฐีในเมืองนั้นมีกําลังตั้งคันอยู่ที่เวลาจะเข้าเฝ้าพระราชาจึงได้เดินไปเพื่อจะเฝ้าพระราชาพอดีพบกับธรรมบุโรหิตผู้เป็นอาจารย์ของพระราชาเดินทางมาร่วมกันมาพบกันเข้าจึงได้ถามอาจารย์เมื่อคืนนี้มีเหตุอะไรเกิดขึ้นมาหรือเปล่า ท่านบรุรีก็บอกว่าเมื่อคืนนิดาวสำคัญปรากฏเด็กคนใดเกิดเมื่อตอนเมื่อคืนนี้หรือมาตอนเช้าวันนี้เด็กคนนั้นจะได้เป็นมหาเศรษฐีประจำประเทศจะเป็นเศรษฐีใหญ่ความจริงถ้ามหาเศรษฐีคนนั้นเห็นว่าปัญญาของท่านกับ ท, ท้อ ง, องใ่้กลาจะออก ยังเลยส่งคนใช้ไปถามให้ไปดูว่าปัญญาเขาตนคลอดบหมดแล้วหรือยังเมื่อคนใช้กลับมาก็บอกว่าปัญญายังไม่ได้คลอดบุตรท่านก็คิดในใจว่าหลังจากการเฝ้าพระราชาแล้วเราจะพยายามสแสวงหาเด็กที่เกิดในวันนี้ช้ามืดวันนี้ท่านได้มาจะเลี้ยงไว้เป็นบุตร เป็นอนุว า, าเวลากลับไปท่านก็ช้หญิงคนช้คนหนึ่งมีนามกาลีให้กาลีนี่มาเฉลียวทราบนะกาลีนี่เปลนวดำํำให้นางกาลีสาวใช้ไปดูว่ามีคนที่ไหนบ้างลูกชายใครที่ไหนบ้างเกิดในวันนี้นางกาลีก็ได้ทราบว่ามีเด็กคนหนึ่งเกิดในวันนี้ ต่ดูว่ามีในมีบุคคลบางคนเขาเห็นว่ามีชาว บ, บ้านมาทิ้งไว้จึงเกไปเลี้ยงมาจงแจ้งกับาาาท่านมหาเษถีทราบท่านมหาเษถีก็มอบเงน 1, ินหนึ่งพันกหาวานะคือสี่พันตำลึงอันหนึ่งพันตำลึงนั้ลคือสี่พันบาทสี่พันเหรียญสมัยนั้นมอบเพื่อเงินนางการลีบกเธอ จงอเงินพันตำลึงนี้ไปให้เขานะแล้วรับเด็กค น, นมาเราจะเลี้ยงเป็นบุตรของเราไปอันอันวันนางกาลีก็ทาแบบนั้นเมื่อเขาท่านมหาเศรษฐีรับเด็กมาแล้วความจริงเขาไม่ได้คิดว่าจะเลี้ยงเด็กคิดว่าจะฆ่าเด็กเพราะเด็กคนนี้ไม่เกิดมาเพราะเนื่องใอยัางเลยความเป็นมหาเศรษฐีในลูกของเขา ไม่อารมณ์เสยะก็ทำไมหาสถีเกิดขึ้นมาทั้งๆที่เด็กคนนี้ยังไม่ทําอะไรให้ยังพูดไม่เป็นท่านกล่าวว่าเป็นกฎของกรรมในสมัยที่เด็กคนนี้เกิดเป็นนายโกโตุฮลิกะที่ทิ้งให้หมดคุ้ตนตายในป่าจึงได้มาเป็นแสกับนางกาลีว่าเด็กคนนี้เอาไว้ไม่ได้ มันจะแย่งความเป็นใหญ่ในตาแหน่งมหาเศรษฐีค่อยนางการลีนำเด็กคนนี้ไปวางไว้ที่ปากข้อของวัววัวควายของท่านมหาเศรษฐีมีนับร้อยแล้วมีคนเลี้ยงเวลาเช้ามื่อกรบลอยก่อนนี้เขาจะปล่อยวัวให้าเด็กคนนี้ไปวางไว้แล้วก็ใบไม้กลบ ไม่มีความประสงค์ใจวัวมันเหยียบตายว่าจะทำยังไงบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะกรรมมันเข้ามาสนองกรรมแต่วันนี้เหยียบไม่ทันเพราะเวลามันหมดเส็แล้วเอาไว้ฟังกันไปต่อไปในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดา ญ, ญาติโยมพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่าน สำหรับตอนนี้ไปขบัรดาท่านางหลายเตรียมตัวเพื่อเจริญประ่อกำฐานได้ขอโอกาสนิดหน่อย